ตาของหมึกสิ์รุ่นแรกตาของผมและหลวงตาเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากอายุก็ไล่เลี่ยว ก, กันคุณตาผมกมพร้า พ, พ่อแม่ตั้งแต่ยังเล็กโยมแม่ของหลวงตาท่านคอยดูแลตาผมตั้งแต่เล็กจนเป็นหนุ่มใหญ่ตาผมไปเป็นทหารเกณฑ์โดยการคัดเลือกจับสลากได้ส่วนหลวงตาท่านจับสลากไม่ได้ไม่ได้เป็นทหาร ท่านจึงได้บวชตาผมและหลวงตาท่านต้องแยกกันโดยหน้าที่ตาของผมแต่เต้าจากคนทหารจนเป็นนายสิบและสุดท้ายได้ยศร้อยโทอยู่ที่โคราชซึ่งเป็นจังหวัดทหารบกแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนยังไปมาหาสู่กันกันกบหลวงตาตลอดครั้งสุดท้ายตาของผมได้รับคำสั่งให้ไปประจำอยู่ที่อื่นที่ไหนผมจาไม่ได้ตาผมจึงออกจากราชการมาอยู่วัดป่าบ้านตาด ช่วยเหลือเพื่อนรักเก่าแก่จนได้เป็นมัคนายกดูแลกิจการในวัดและการเงินของวัดให้หลวงตาในฐานะคนที่ท่านไว้ใจวันหนึ่งหลวงตาไม่อยู่ตาอยู่กับท่านหลวงปู่บุญมีไปเสียรู้เขามีคนมาในวัดหลอกเอาเงินวัดไป 3-4000 พันบาทสมัยนั้นเงิน 3-4000 พันมีค่ามากทีเดียวขณะนั้นหลวงตาไปกรุงเทพหรือที่ไหนผมไม่แน่ใจ เมื่อหลวงตากลับมาถึงวัดถึงได้รู้กันว่าตาและหลวงปู่บุญมีถูกหลอกหลวงตาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่พูดว่าเฮ้ยเขามาหลอกเอาไปขณะนั้นหลวงปู่บุญมีเพื่อนเป็นหลองท่านเรียกหลวงปู่บุญมีเพื่อนว่าท่านใหญ่